สัตว์สี่เท้า116ที่ชื่อว่าสัตว์สี่เท้าได้แก่ช้างม้าอูดโคลาสัตว์เลี้ยงภิกษุมีทายจิตจับต้องต้อง อ, งอบัตทุกกฎทําให้ไหวต้องอบัตทุลใจทําให้เคลื่อนที่ต้องอบัดปาราชิกภิกษุคิดจะพาเดินไปให้ย่างเท้าที่หนึ่งไปต้องอบัตทุลใจ ให้ย่างเท้าที่สองไปต้องอบัตทุลใจให้ย่างเท้าที่สามไปต้องอบัตทุลใจให้ย่างเท้าที่สี่ไปต้องอบัตปาราชิก